ข้อควรรู้ควรสังเกตคำศัพท์ธรรมชุดอิดทัปปั จ, จยาตาหันไปดูหลักธรรมนิยามชุดที่หนึ่งหลักนี้ถือกันว่าเป็นธรรมระดับปัญญาที่ลึกซึ้งและยากยิ่งในวรรณกรรมหรือตามเอกสารที่สืบกันมานานในสังคมไทยดูเหมือนแทบไม่มีการกล่าวถึงหลักธรรมนี้แต่อย่าพึ่งถือเป็นยุติเพราะยังไม่ได้สำรวจตรวจสอบอย่างจริงจังทั่วตลอดจนมาในช่วงศตวตรรษที่ผ่านมานี้ จึงมีการกล่าวถึงในระบบการศึกษาและคำเรียกชื่อหลักธรรมนี้ที่คุ้นที่สุดในยุคแรกของช่วงเวลานั้นคือปฏิจจสมุปบาทการที่หลักธรรมนี้ปรากฏขึ้นมามีการเอ่ยอ้างชื่อในวงการศึกษาธรรมว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเท่าที่ทราบคงสืบจากการที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิยรยานวโรวรทรงตั้งระบบการเรียนวิชานักธรรมขึ้น ในทรงนิพนคำอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทไว้ในหนังสือธรรมวิภาคปริเชทที่สองซึ่งกำหนดเป็นหลักสูตรพระปริยติธรรมสำหรับนักธรรมชั้นโทชื่อหลักธรรมนี้ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นพบมากทั้งในพระไตรปิฎกและอัทธกถาดีกาเป็นต้นการที่รู้จักชื่อนี้กันมากจึงนับว่าสอดคล้องกันดีแต่ที่น่าสังเกตก็คือ อิทับปัจจยตาซึ่งเป็นคำหลักที่มักมาด้วยกันแนะนำหน้าปฏิจจสมุทบาทกลับดูเหมือนว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินใครพูดถึงเหมือนจะเป็นเครื่องแสดงว่าผู้เล่าเรียนในระบบการศึกษาที่เป็นอยู่นั้นไม่ได้ค้นคว้าขยายออกไปจากความรู้ในหนังสือที่เป็นแบบเรียนจนกระทั่งประมาณครึ่งศตวรรษมานี้เองคำนี้จึงเริ่มเด่นขึ้นมาและเท่าที่นึกเท่าที่ทวนระลึกได้ น่าจะเกิดจากการที่ท่านพุทธทาสภิขุได้ยกหลักธรรมนี้ขึ้นมาสอนมาอธิบายอย่างจริงจังพร้อมทั้งย้ำชื่อที่เรียกว่าอิทัพปัจจยตาคำว่าอิทัพปัจจยตาปรากฏในพระไตรปิฎกในพุทธพทธสองวาระคือครั้งแรกเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆทรงปรารพบว่าธรรมที่ตรัสรู้นั้นคนทั่วไปเข้าใจยาก การที่จะส่งแสดงธรรมนั้นจึงเป็นความลำบากและอีกครั้งหนึ่งเมื่อทรงแสดงธรรมมณยามหลักที่หนึ่งแต่ทั้งนี้ท่านเล่าไว้หลายแห่งนอกจากนั้นก็มาเฉพาะในคําว่าอิทัพปัจจะตาและอิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปปันเนสุเพิ่งสังเกตด้วยว่าคําว่าปัจจะการที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทซึ่งได้พิมพ์กํากับไว้ด้วยในหนังสือแบบเรียนนักธรรมชั้นโทนั้น เป็นคำที่เกิดภายหลังไม่มีในคมพีที่เป็นหลักของพระสูตรแต่มาปรากฏขึ้นในอปท า, านอันเป็นคมพีสืบเนื่องที่จัดเข้าในพระสูตรตันตปิฎกพบสองแห่งใกล้ๆกันในหัวข้อและเรื่องเดียวกันคือในประวัติของพระเขมาเถรีพระอัครสาวิกาฝ่ายขวาซึ่งเป็นเอตัทธ ะ, ะทางปัญญาในประวัตินั้นเล่า ว, ว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระนางได้ออกบวชเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่หมื่นปีประกอบความเพียรเป็นพระหูสูตรฉลาดในปัจจ ย, ยาการตรงนี้ใช้คำว่าปัจจยาการะกุศลามาชาตสุดท้ายพระนางบวชมาแล้วได้เจ็ดเดือนได้เห็นประทีปสว่างขึ้นและดับไปมีใจสังเวชเบื่อหน่ายในสรรพสังขาร ฉลาดในปัจจยาการข้ามพ้นจัตุรโอฆะแล้วได้บรรลุอรหัตตรงฉลาดในปัจจยาการตอนหลังนี้ใช้คำบาลีว่าปัจจยาการโกวิธาในพระวินัยปิดกแม้จะเล่าเหตุการณ์ในพุทธประวัติตั้งแต่เสวยวิมุติสุขหลังตรัสรู้ใหม่เริ่มโดยการส่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแต่ทั้งปิดกไม่ใช้คาว่าปัจจยาการเลย ส่วนในพระอภิธรรมปีดกคาพีใหญ่ซึ่งมีบทที่ว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยตรงคือวิพังทั้งที่อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างยืดยาวประมาณ75สห้าหน้าแต่ในเนื้อความที่อธิบายตลอดทั้งหมดไม่มีคําว่าปัจจยาการเลยแม้แต่คําที่เรียกชื่อหลักโดยตรงว่าปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ปรากฏมีเพียงคากล่าวถึงสภาวธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปปณนะ หรืออิทับปัจจยาตาปฏิจจสมุปป น, นะมีแต่ชื่อบทหรือชื่อหัวข้อที่พระธรรมสังฆาหากาจาร์คือพระอาจารย์ผู้รวบรวมคำภีตั้งใส่ให้ซึ่งก็ตั้งไม่เหมือนกันคือฉบับสยามรัฐของไทยตั้งชื่อว่าปัจจญาการวิพังโคและฉบับชัตตสังคีติอักษรพม่าตั้งชื่อว่าปฏิจจสมุปปาทวิพังโค ร, รวมแล้ว ในพระไตรปิฎกคำที่ใช้บ่อยใช้มากก็คือปฏิจจสมุปบาททั้งที่มาโดดโดดและมาคู่กับอิทับปัจจยตาทั้งนี้โดยมากมาในพระสูตรสำหรับในพระวินัยมีน้อยแห่งเป็นธรรมดาส่วนในพระอภิธรรมมีกล่าวโดยตรงในคถาวัตถุเท่านั้นนอกนั้นกล่าวถึงในธรรมสังคณีเฉพาะในคาว่าปฏิจจสมุปปาทะกุสลตา และครั้งหนึ่งในทาตุกถาตอนท้ายมาติกาซึ่งมีลำดับธรรมที่น่าสังเกตดังนี้ปัญจขันธาทวาทศายตนานิอัฐารสทาตุโยจัตตาริสัจานิภาวีสตินทริยานิปฏิจจสมุปป่าโทจัตตารสติปัฏฐานาจัตตารสัมมปปฐานา จัตตาโรโออิทิปาธาในคำพีชั้นอัฏฐกถาลงมาใช้มากทั้งคำว่าปฏิจจสมุปบาทและคำว่าปัจจญการส่วนอิทธปัจยาตาก็กล่าวถึงแต่ไม่บ่อยนักอีกข้อสังเกตหนึ่งคือสืบเนื่องจากคำคู่ว่าธรร ม, มัทิตตาธรรมนิยามตาที่เป็นชื่อของหลักธรรมนิยามนี้ได้เกิดคาศัพท์สาคัญที่พึงทราบอีกชื่อหนึ่ง คือธรรมติติยานซึ่งมาในสุสิมะสูตรสั่งยุตินิกายนิธานวัรรมีพุทธพจน์ว่าธรรมติติยานังปุกเพปัจชานิพานเนญานังแปลว่าธรรมติติยานก่อนยานในนิพานที่หลังหรือแปลได้อีกอย่างว่ามีธรรมติติยานก่อนแล้วยานในนิพานก็ตามมาพุทธพจน์นี้ กรัดแก่พระสุสีมะซึ่งเป็นปริภาชกมาก่อนแล้วมาขอบวชในธรรมวินัยนี้โดยมีความเข้าใจผิดติดมาว่าผู้บรรลุธรรมสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์คงต้องมีริบหูทิบตาทิบเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสข้อความนี้เพื่อให้เขาหายเข้าใจผิดและรู้ให้ถูกต้องว่าพระอรหันต์ปัญญาวิมุตต์สำเร็จด้วยเกิดธรรมติฏิยานขึ้น แล้วก็มียานในนิพานโดยไม่ต้องมีริเป็นต้นนั้นแต่อย่างใดธรรมติติยานแปลตามตัวว่ายานในธรรมติติก็คือความอย่างรู้ธรรมนิยามนี้เองได้แก่เข้าใจชัดแจ้งในสภาวธรรมแห่งขันทั้งห้าว่าเป็นอนิจจาทุกขาอนัตตาตลอดจนรู้อาการที่สังคต ธ, ธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุปัจจัยกันไปให้เกิดผลตามกระบวนแห่งปฏิจจสมุปบาทที่เป็นสมุทยวาระ และจบลงได้รู้ความดับเหตุปัจจัยแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นแจ้งเป็นนิโรธวาระประจั์นิพพานในที่สุดแม้ว่าธรรมมิติยานตามพุทธพจน์ข้างต้นจะครอบคลุมความรู้แจ้งไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทจนจบนิโรธวาระแต่ในคำอธิบายที่ถือได้ว่ารวบรัดอย่างเรื่องยานเจในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนี้เองพระองค์ตรัสถึงหรือทรงเน้นเฉพาะ ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาระปรากฏว่าต่อมาธรรมติติยานเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงบ่อยขึ้นโดยมีการแสดงความหมายและอธิบายเน้นหรือเจาะจงไปที่ปฏิจจสมุปบาทดังที่ในปฏิสามพิธามักให้ความหมายว่าธรรมติติยานคือปัญญาในปัจจยปริคหะปัจยะปริคหะหรือปัจจัยปริเคราะห์ คือการกำหนดจับปัจจัยที่ต่อมานิยมเรียกว่าปัจจยะปริคหาหยานและในคำพีชั้นอัตถกาถาลงมาท่านได้อธิบายหรือกล่าวถึงธรรมติติญา น, นี้ไม่น้อยทีเดียวเช่นว่าธรรมติติญานคือปัจจัยปริคหาหยานหรือปัจจยาการะยานเป็นกังขาวิตรณวิสุทธิเรียกว่าเป็นยะถาภูตยานบ้างสัมมาทัศนะบ้าง บางทีก็บอกสั้นๆว่าเป็นวิปาาัสนาญาณบ้างว่าเป็นญาณอันถึงจุดยอดของการเห็นอิทัพปัจจยตาส่วนนิพพานยานังท่านว่าได้แก่มักคญาณ